ภาวนาจิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวนะจิตใจล่อนเล่หหนีไปนะภาวนาไม่ได้จริงแม่ชีใจหลงไปแล้วนะ กาที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือเราอยู่กับปัจจุบันทำไมเราต้องอยู่กับปัจจุบันเราอยากเห็นความจริงของชีวิตเราอยากเห็นความจริงของร่างกายของจิตใจร่างกายจิตใจเราอยู่กับปัจจุบันในอดีตมันไม่มีมันหายไปหมดแล้ว อย่างชีวิตเราเมื่อเช้าก่อนจะเข้าศาลาชีวิตช่วนั้นผ่านไปแล้วตายไปแล้วเราจะไปนั่งดูร่างกายเราเมื่อตอนเช้าอยู่ที่ศาลามันไม่มีจริงนะจริงๆมันอยู่กับปัจจุบันนี้ร่างกายจิตใจเราอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นนะ ในอดีตไม่มีกายไม่มีใจของเราเหลืออยู่แล้วมีอยู่ก็แค่ความจำในอดีตมันเป็นแค่ความจำเท่านั้นอนาคตรเราคิดถือว่าเที่ยงนี้ร่างกายจิตใจเราเป็นอย่างไรมันไม่ได้มีจริงมันยังไม่เกิดขึ้น อนาคตมันก็แค่ความคิดอดีตมันก็แค่ความจําความจริงอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นงั้นอยากเห็นความจริงก็ต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้เวลาเราพลาดจากปัจจุบันนะใจจะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดงั้นบางทีมันก็คิดไปอดีตด้วยอํานาจของสัญญาบ้าง คิดไปอนาคตด้วยความฟุ้งซ่านบ้างตรงที่เราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเนะเราพลาดจากความเป็นจริงแล้วสังเกตไหมเวลาเราหลงคิดเนะยไม่คิดอดีก็คิดอนาคตนะส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นปัจจุบันต้องนั่งคิดไหมยังบางคนเป็นนักปฏิบัตินะอยู่กับร่างกายจิตใจปัจจุบันยังนั่งคิดไเล ย, ย่างตอนเนี้ย นั่งท่าไหนว่าอนะไรเงี้ยตอนนี้หายใจเข้าหรือตอนนี้หายใจออกอุตสาห์คิดจนได้นะทัา ง, งที่ความจริงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ทนโทษ อ, อยู่ต่อหน้าต่อตานี้แล้วขยับเนี่ยนะต้องคิดไหมว่าร่างกายเคลื่อนไหวแล้วเอามือลงแล้วไม่เด่นต้องคิดเลย เื่อนเวลาเราหลงไปในความคิดนะเราหลงไปอดีตบ้างหลงไปอนาคตบ้างถ้าหลงคิดถึงปัจจุบันเนะี่ยเยังเรียกว่าหลงเพราะอะไรเพราะเราต้องการเห็นกายอย่างที่กายเป็นต้องการเห็นจิตอย่างที่จิตเป็นมันไม่ต้องคิดร่างกายเป็นยังไงตอนนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมต้องคิดไหมว่าตอนนี้นั่งหรือนอนคิดก็บ้าแล้ว ไม่รู้เลอว่ากำลังนั่งอยู่ตอนนี้หายใจออกหรือตอนนี้หายใจเข้าต้องคิดไหมว่าหายใจออกหรือหายใจเข้าไม่ต้องคิดเลยสายหน้าต้องคิดไหมเวลาจิตเราลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะเราจะพลาดจากการเห็นสภาวธรรมสภาวธรรมรือรูปธรรมนามธรรมมีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น รูปธรรมนามธรรมาในอดีตมันดับไปแล้วรูปธรรมนามธรรมาในอนาคตยังไม่เกิดขึ้นรูปธรรมนามธรรมาอยู่ในปัจจุบันนี้ธรรมชาติของจิตน่ยมันรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวถ้าเราอยากรู้รูปอยากรู้นามแต่เราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดเราไปรู้เรื่องราวที่คิดอยู่มันไม่มีทางที่จะรู้รูปนามที่เป็นปัจจุบันนี้ได้เลย จะไปคิดถึงรูปนามในอดีตคิดถึงรูปนามในอนาคตหรือลังเลสงสัยว่าปัจจุบันรูปนามเป็นยังไงของง่ายในยกลายเป็นของยากให้พาะเราต้องฝึกตัวเองให้เราหลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้ไมาอยู่ในโลกของความจริงให้ได้อยู่ในโลกของความจริงได้เราถึงจะเห็นความจริง ความจริงของร่างกายคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความจริงของจิตคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราจะเห็นได้เห็นไม่ใช่คิดความคิดปิดบังความจริงเอาไว้งั้นพยายามฝึกตัวเองให้หลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้วิธีที่จะทำให้เราหลุดออกจากโลกของความคิดจะทำยังไง วิธีจะหลุดออกจยกโลกของความคิดก็คืออาศัยสติรู้ทันว่าจิตลงไปคิดแล้วแค่รู้ทันว่าจิตลงไปคิดจิตลงคิดมันคิดด้วยอำนาจของโมหะคิดอำนาจของความฟุ้งซ่านถ้าเรารู้ว่าจิตลงคิดมีสติรู้ทันเท่านั้นเองโมหะหรือความฟุ้งซ่านนั่นจะดับอัตโนมัติ จิตที่เป็นจิตหลงก็จะดับไปเกิดเป็นจิตรู้จิตหลงมีเยอะนะมีจิตหลงดูจิตหลงฟังจิตหลงไปดมกลิ่นจิตหลงไปลิ้มรสจิตหลงไปรู้สัมผัสทางร่างกายจิตหลงไปคิดนึกทางใจจิตหลงได้เยอะแยะคิดนึกทางใจก็หลงไปอดีตหลงไปอนาคตอีกจิตรู้จะเกิด ถ้าเรารู้ทันจิตหลงอย่างจิตเราหลงไปคิดเรามีสติรู้ทันว่าจิตไปคิดแล้วเนี่ยจิตคิดจะดับจิตรู้จะเกิดจิตใจเราจะอยู่กับปัจจุบันได้ตัวนี้ทำยากนะต้องฝึกเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่กับครูบาอาจารย์นะอย่างหลวงพ่อพุทธนะท่านเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติ คนก็ น, นึกว่าหลวงพ่อนั่งสมาธิทั้งวันเดินจงกรมทั้งคืนอะไรเงี้ยไม่ได้ทําอย่างนั้นคำ ว, ว่านักปฏิบัติของหลวงพ่อก็คือคนซึ่งมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเห็นกายเห็นใจมันทํางานไปไม่ใช่หลงไปนั่งสมาธินานๆเดินจงกรมนานๆแล้วคิดว่าจะทําอะไรได้ถามว่านั่งสมาธิเดินจงกรมนานๆดีไหมถ้าทําด้วยความมีสติก็ดีเลิศเลย ถ้าทำด้วยความโลภความขาดสติก็ไม่ดีอะไรหรอกทรมานตัวเองเป็นอัตตาเกลมาฐานโยกนี่เราพยายามมาฝึกอยู่กับปัจจุบันวิธีที่จะฝึกให้เราอยู่กับปัจจุบันได้นะหากรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดจะพุโทโธก็ได้จะหายใจก็ได้แต่หลวงพ่อไม่แนะนํากรรมฐานที่ออกข้างนอกนะ เกินกายออกไปเนี่ยไม่แนะนำอย่าไปเพ่งไฟเพ่งพระทรุ่อะไรอย่เงี้ยจิตมันไหลไปข้างนอกมันไปตั้งสงบอยู่กับอารมณ์ข้างนอกจิตมันไม่ได้ตั้งมั่นอยู่กันเนื้อตัวตัวจิตใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวพาวาต่อไม่ได้มันเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกมันหลงนั่นเราถากกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอะไรงเงี้ยหรือขยับไม้ขยับมือ หรือเห็นร่างกายพองเห็นร่างกายยุบหลวงพ่อใช้คำว่าเห็นร่างกายพองเห็นร่างกายยุบนะหลวงพ่อไม่ได้ใช้คำว่าเห็นท้องถ้าคิดถึงเห็นท้องนะจิตไหลลงไปที่ท้องนะเป็นสมาธิชนิดเพ่งจ้องแนละ้วไม่ใช่สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรารู้จักไหมคำนี้ตรงข้ามกับจิตที่หลงไปท่านะั้นตรง ข้ามกับจิต ท, ที่ไปเพ่งจ้องเพ่งจ้องนี่ลืมตัวนะจิตไหลไปไม่เห็นนั้นหากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้ขยับมืออย่างหลงพระเทียนก็ได้นะเห็นร่างกายพองเห็นร่างกายยุบเลยก็ได้อย่นงนี้เห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะอย่าไปดูมือนะถ้าดูมือก็เหมือนกับไปดูท้องนะจิตไหลไปอยู่ที่มือพอนไม่เป็นห อ, อก ยังหลวงพระเทียนสอนขยับมือเนี่ยสอนให้เรามีสติไม่ได้สอนให้เรารู้มื อ, อมีสติว่าเห็นร่างกายเคลื่อนไหวมันก็อยู่ในสติปัฏฐานหมวดของสัมปชัญญะบัพพะนั่นเองเคลื่อนไหวเรารู้สึกหยุดนิ่งเรารู้สึกนถ้าไปจ้องไหลเข้าไปอยู่ในมือใช้ไม่ได้งั้นเราหากรรมาฐานสักอย่างหนึ่งนะ แล้วเราก็ทำกรรมฐานของเราไปแล้วจิตเราไหลไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นเรารู้อย่างเราเห็นร่างกายหายใจเนี่ยเผลอนิดเดียวน่ะจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วอันนี้หลงไปอยู่ที่ลมหายใจนะแล้วไม่เพ่งนินีๆอยู่เรียกหลงเพ่งขยับมือแล้วจิตไหลไปอยู่ที่มือเนี่ยอันนี้ก็ไปหลงเพ่งเหมือนกันเห็นร่างกายพองเห็นร่างกายยกุะ ถ้าเผลอตัวจิตไห i, ลลงไปอยู่ที่ทอ้องกลายเป็นท้องผองท้องยุกนะเดินจงกรมพระพุทธเจ้าสอนง่ายๆพิสูจทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่ยากไหมเดินอยู่รู้ชัดว่าเดินอยู่ถ้าไม่ได้สอนว่าเดินมีกี่จังหวะสอนเดินแล้รู้ชัดเลยรู้อะไรรู้ว่าร่างกายมันเดินรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้อย่าทิ้งหลักอันนี้นะ ถ้าจะดูทางกายรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้ถ้าความรู้สึกนึกคิดก็เห็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมันเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้อยู่ยังไม่ใช่จิตไหลไปเดินจงกรมแล้วจิตไปอยู่ที่เท้าบางคนเลยเท้าไปนะเดินจงกรมแล้วจิตไปอยู่ที่พื้ น, นจิตไหลไปอยู่ที่พื้นโอ้พื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งไปรู้มันหาสวรรค์มิมานอะไร มีใครเห็นพื้นเป็นตัวเราบ้างนะไม่มีเลยว่าใครเห็นรู้สึกแมมพื้นเป็นเราอาจจะมีนะแต่แนะนำให้ปรึกษาจิตแพทย์ตรวนเลยนะไม่ปกติละตรงที่เรารู้สึกเป็นตัวเราอย่างมากที่สุดก็คือกายกลบใจเรานี่เองนะนั้นเราอย่ารู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจดูความจริงของกายดูความจริงของใจไป เบื้องต้นก่อนที่มันจะเป็นคนดูก่อนที่จิตจะเป็นคนดูได้ฝึกให้จิตเป็นคนดูไม่ใช่เป็นผู้หลงคิดหรือผู้เพ่งทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งจิตไหลไปเพ่งก็รู้จิตหลงไปคิดก็รู้เนี่ยฝึกอย่างนี้ไปให้มากเลยนะจิตไหลไปเพ่งก็รู้จิตหลงไปคิดก็รู้ตอนหลวงพ่อเด็กๆหลวงพ่อทำอนาปัญสติ เรียนจากท่านพลีมานี่หลวงพ่อเด็กอ่ะผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยได้พาไปนานๆจะได้ไปทีหนึ่งเราก็เรียนได้ไม่มากเจอครูบาอา จ, จารย์ดีนะว่าเราเรียนได้นิดเดียวเรียนได้แค่หายใจเข้าพูดหายใจออกโตนะันก็ทําอยู่อย่างนั้นนะ่ะเดินวิปัสนาให้เป็นหายใจไปจนจิตมันสงบนะตื้นๆเป็นแสงสว่าง พอเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นเนี่ยหลงพข้ไปดูที่แสงอันนี้หลงดูแลนะหลงไปดูแสงนะคราวนี้กิเลสเราอยากจะไปเห็นสวรรค์ปุ๊บแสงนี่มันจะฉายเหมือนฉายสปอตไลท์เอาไปแลฉายแสงสว่างไปถึงไหนแล้วจิตเขาไปถึงนั่นเนี่ยออกนอกไปเลยนะเนี่ยขนาดว่ามาสงบลงมาลมหายใจระงับลงไปเป็นแสงอยู่ตรงเนี้ย ไปจ้องที่แสงนะแล้วกิเลสหลอกอยากดูอะไรนาะมันก็วิ่งไปดูโน้นดูนี่มันวิ่งไปดูได้จริงๆนะแต่สิ่งที่มันเห็นนะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้หรอกจิตอาจจะหลอนเราก็ได้เราะฉนั้นไม่สนใจมันนี่หลวงพ่อไปดูอยู่ช่วงหนึ่งนะไปดูสวรรค์ดูเทวดานะไปเที่ยวนโน้นเที่ยวนี้แล้วหลวงพ่อก็เกิดเอจใจขึ้นมาว่าถ้าออกไปแล้วไปเจอผีจะทำไงเป็นคนกลัวผีนะ เนี่ยได้ดีเพราะผีนะไม่งั้นก็หลงเพลินออกเที่ยวข้างนอกพอกลัวผีนึกขึ้นได้ว่าออกไปเนี่ยเห็นเทวดาได้มันก็เห็นผีได้เหมือนกันนะเมือนต่อไปนี้เราจะไม่ออกแล้ ว, ลวออกไปเขาไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาไปเห็นเทวดานะเราก็ไม่ได้เป็นเทวดาไปเห็นเขามีสวนดอกไม้สวยงามแล้วก็ได้แค่มองๆนะเขามีวิมานอยู่มีบ้านหรูหราอยู่เทวดาไม่ได้อยู่บ้านยอดแหลมๆทั้งหมดนะ แล้วแต่ชอบคนไหนชอบยอดแหลมแหลมก็อยู่คนไหนชอบอย่างอื่นก็อยู่แล้วแต่จิตมันจะสร้างมันเกิดด้วยอำนาจของบุญได้อารมณ์ที่ชอบใจอารมณ์ที่ชอบใจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันก็ได้สิ่งที่เขาชอบใจเราไปเห็นบ้านเขาสวยงามเราก็อยู่บ้านเขาไม่ได้เห็นเขามีของกินอยากกินเราก็กินของเขาไม่ได้มันคล้ายๆเราเป็นยา จ, จกนะ ไปเที่ยวบ้านเศรษฐีก็ไปดูทำไมว่าดูสมบัติคนอื่นเขาแล้วก็ดูไปดูมาก็ชักกลัวผีอะไรเงี้ยก็ไม่ไปพอใจเราจะเคลื่อนเนี่ยอยู่กับแสงเนี้ยใจมันจะเคลื่อนไปที่แสงหลวงพ่อรู้ทั น, นพรู้ทันใจมันเป็นคนดูขึ้นมาเนี้ยเล่นอย่งนี้นะจิตใจมันอยู่ที่แสงวิตกมันตรึกอยู่ที่แสงมันเคล้าเคลียอยู่ที่แสงไม่หนีไปที่อื่นเลย ไม่ฟุ้งซ่านอยู่ในอารมณ์มันเดียวมีปีติมีความสุขเกิดขึ้นเสร็จแล้วเราก็เห็นต่อไปการที่เรายัางเห็นแสงอยู่เนยะดูดวงสว่างอยู่เนะี่ยเป็นภาระจิตมันก็วางแสงลงไปนะมันสงบอยู่มีตัวรู้นะพอให้แสงนี้จิตทิ้งไปพุ๊บตัวรู้มันเกิดขึ้นมานะไม่รู้เลยว่าถ้าเราวางอารมณ์กรรมฐานลงไปแล้วเนะี่ยตัวรู้มันเกิดได้ อันนี้เป็นวิธีฝึกอย่างหนึ่งนะส่วนพวกเราฝึกอย่างหลวงพ่อคงจะยากมันฝึกเมื่อแก่แล้วหลวงพ่อฝึกตอนเด็กนมาฝึกสมาธิเอาถ้าพวกเราฝึกตอนโตเนี้ยทํากรรมฐานสัอย่างหนึ่งไม่ต้องถึงกับสว่างหรอกหายใจไปหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าไปพอนะหายใจไปหายใจไปแล้วจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันหายใจไปจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทัน จุดสำคัญของกรรมฐานคือจิตของตนเองอยู่ที่จิตของตนเองถ้าได้จิตก็จะได้ทำไม่ได้จิตก็ไม่ได้ทำเราะฉ้เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตนเองไปเรื่อยๆต่อไปจิตไหลไปคิดจะรู้อัตโนมัติจิตคิดดับจิตรู้จะเกิดจิตไปเพ่งรู้ว่าเพ่งไม่หายนะเพราะจิตที่ไปเพ่งในอารมณ์อันเดียวเนี่ยไม่ใช่อกุศล ส่วนจิตลงคิดนี่เป็นอกุศลทันทีที่สติเกิดนี่อกุศลดับทันทีแต่จิตเพ่งเนี่ยจิตสงบจิตเป็นคนดีไหมเป็นคนดีตายไปเปเป็นพระรหมได้นะถ้าเพ่งเก่งๆนั่นมันไม่ใช่อกุศลเพ่งรู้ว่าเพ่งเนี่ยไม่หายแต่ถ้าอยากหายเพง่งต้องรูสงงงรง้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังการเพ่งสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการเพ่งคือโลภะตัวโลกอย่างเวลาเราภาวนาเนี่ยทไมเราไปเพ่งท้องทาไมเพ่งลม ทำไมเพ่งมือเพ่งเท้าทำไมเพ่งอากาศเพ่งช่องว่างเพ่งแสงสว่างทำไมชอบเพง่งมันอยากดีมันอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอยากปฏิบัติมันเริ่มมาจากอยากก่อนถ้าหลวงพ่อบอกอ้าวพวกเราลงมือปฏิบัติเราจะเริ่มเพ่งแล้วเราจะอยากปฏิบัติมันจะเพง่งนะ งั้นถ้าเราจะเลิกเพ่งได้เนะี่ยเราต้องรู้ทันตัวกิเลสที่อยู่เบื้องหลังการเพง่งคือตัวอยากเพง่งอยากดีอยากปฏิบัติถ้าเราเห็นความอยากปฏิบัติความอยากดับเนี่ยนะการเพ่งจะหายไปเพราะต้นเหตุของมันดับนะการเพ่งหลวงพ่อบอกว่าเป็นกุศลใช่ไหมจิตเป็นคนดีมีกิเลสเป็นตัวบงการอักนกะุศลเนี่ยทาให้เกิดกุศลก็ได้ ไม่ใช่อกุศลทําให้เกิดอกุศลอย่างเดียวนะอยกุศลในทางชั่วอยากฆ่าเข้าไปฆ่าเขาเนี่ยอกุศลทําให้เกิดอกุศลอยกุศลทางใจทําให้เกิดการกระทําชั่วทางกายทางวาจาอะไรขึ้นมานะนส่วนทางความดีนะอยากปฏิบัติอยากพ้นทุกขนะ์อย่างบูชาพระพุทธเจ้านะอยากที่ดีๆแล้วก็ลงมือเพ่งตัวเอง มันเวลาเผลอรู้ว่าเผลอเนี่ยจะหายเผลอนะเป็นผู้รู้ทันทีแต่เพง่งรู้ว่าเพ่งไม่ค่อยหายหรอกนะต้องรู้ว่าโอ้ยมันโลภนี่ว่ามันอยากปฏิบัตินี่ว่าเมื่อเช้าก็มีพระองค์หนึง่งหลวงพ่อเดินตรวจแถวพระอยู่ก่อนที่พวกเราจะเข้ามาเนี่ยตอนพระนั่งตักอาหารนะมีพระองค์หนึ่งนั่งเพ่งอยู่นะหลวงพ่อถามวันนี้เป็นไงพระมอกวันนี้สติดีจังเลยมองไม่ได้เรื่องหรอก สติดีอะไรนั่งเพ่งอยู่ไปสร้างภกของนักปฏิบัติขึ้นมานักปฏิบัติต้องขรึมนะขรึมยิ้มก็ไม่ได้นะถ้าอยากยิ้มอยากยิ้มหนอ่อนะไม่ไม่ขำต่อแล้วไม่ยิ้มแล้วนะกาหนดลงไปเป่งแล้วนะงั้นพยายามฝึกตัวเองนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเอง จิตหลงไปคิดเรารู้ดีที่สุดง่ายที่สุดจิตไปเพ่งต้องรู้เบื้องหลังมันอ๋อมันอยากปฏิบัติมันอยากรู้ตัวตลอดเวลาอะไมันจะเพ่งรู้ทันใจที่อยากนะพอมันเลิกอยากไปแล้วมันก็ค่อยๆเลิกเพ่งความมือาาที่เกิดขึ้นต้องรับผลไปอีกช่วงหนึ่งตัวความมือาาที่เกิดขึ้นเป็นตัวบีบากนะแก้ไม่ได้ต้องชดใช้ มิอ่าเราเพ่งไปจนเครียดไปหมดแล้วพอเรารู้ทันโอ้ยนี่มันยากปฏิบัติเนี่ยความอยากดับการเพ่งดับแต่ความอึดอัดนั้นอยู่ไปอีกช่วงหนึ่งไม่หายทันทีหรอกมันเป็นวิบากเหมือนร่างกายเราเนี่ยขันของเราเนี่ยเป็นวิบากเป็นพระลรหันแล้วขันยังอยู่จิตพระละขันพ้นทุกข์ไปแล้วแต่ขันที่เป็นตัวทุกข์เนี่ยยังอยู่มันยังไม่หมดเวลา อย่างเราไปเพ่งไว้เนี่ยมันทุกข์แล้วเราเลิกเพ่งไปแล้วยังต้องทุกข์อีกช่วงหนึ่งต้องใช้นี่ไปอย่างร่างกายเราเนี่ยเพื่อเป็นวิบากเหมือนที่เราไปเพ่งแล้วอึดอัด น, นั่นแหละเป็นวิบากไม่หายหรอกดูร่างกายให้หายไปมันก็ยังอยู่เนี่ยไม่หายไปไหนจริงหรอกแล้วเราทำกรรมฐานสรุปนะเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตนเอง ถ้าไม่เพ่งได้จะดีที่สุดเริ่มตน้นวิธีที่จะเริ่มตน้นเราไม่เพ่งก็คืออย่าคิดว่าเราจะทำเพื่ออะไรอย่าอยากปฏิบัติเพื่อจะได้มีสติตลอดเวลานะเพื่อจะพ้นทุกขเพื่อจะได้มรรคผลนิพพานเพื่อจะได้โน่นเพื่อจะได้นี่เพื่อจะพ้นจากอันนั้นเพื่อจะพ้นจากอันนี้ถ้าเริ่มต้นด้วยโลภอย่างนี้นะยังไงก็เพง่ง เริ่มต้นก็สังเกตใจตัวเองไปเลยอย่างขณะ น, นี้ถ้าเราจะปฏิบัติเราสังเกตใจตัวเองไปเลยก็แค่รู้ตัวอยู่ใจเราไม่ดิ้นรนไม่จะต้องดีหายใจไปด้วยใจปกติดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ใจกล้าๆหน่อยนะไม่ใช่ต้องดีลองดูซิหายใจไปสงบก็ได้ฟุ้งซ่านก็ได้ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้รู้ก็ได้หลงก็ได้ลองทำดู ทำสักแป๊บหนึ่งเอาอดไม่ได้เริ่มเพลงแล้วน ะ, นะเริ่มผิดธรรมชาติแล้วเอาใหม่โยดยิ้มหวานยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มนะเหมือ น, นกำลังกินอมยิ้มอยู่ยนั่นะ เนี่ยเราใช้ใจอย่างเนี้ยนะเห็นร่างกายหายใจด้วยใจอย่างนี้แหละตรงเนี้มันมีข้อดีนะมันจะไม่แน่นแต่ข้อเสียคือมันหลุดง่ายมันหลงง่าย ม, มีข้อดีข้อเสียนะแต่หลงแล้วรู้ว่าหลงทีแรกก็หลงยาวหน่อยแต่มาหลงแล้วรู้ว่าหลงหลงแล้วรู้หลงพอหลงปุ๊บรู้ปั๊บเลยต่อไป เรื่อเราก็ได้ของดีแล้วแต่ถ้าเรากลัวจะหลงมันจะมีเพ่งเอาไว้จะให้รู้ตลอดเวลาอันนี้กี่ปีกี่ชาติมันก็อยู่แค่นี้แหละมันไปต่อไม่ได้มันเดินปัญญาไม่ได้จริงหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปเพราะนั้นก่อนจะลงมือปฏิบัตินะยิ้มหวานหวานก่อนแต่ไม่ใช่จงใจยิ้มนะะยิ้มแบบการบินไทยนะเคยเห็นไหมยิ้มแบบการบินไทย นะไหว้ก็ไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดานะต้องมีทัดเส้นองตัวเองไหว้เรารึวจะไหว้หาอะไรวะนะมันไม่ใช่ท่าไหว้เลยมันคล้ายๆกำลังผนึกพลังนะใครมาก็นะัวเราอรู้ไหมเมื่อกี้เผลอหัวเราอรู้ไหมเนี่ยเวลามีสิ่งเราคือมีผัสสะ ม, มีเรื่องที่หลวงพ่อเล่านะมันเป็นสิ่งเรา ใจเราก็สนุกใช่ไหมกระโดดไปเลยสังเกต ด, ดูใจเราจะกระโดดตามสิ่งเรานะมีอะไรน่าสนใจที่จะดูจิตก็วิ่งไปดูมีอะไรน่าสนใจจะฟังจิตก็วิ่งไปฟังมีเรื่องราวที่จะอยากรู้ก็หนี่ไปคิดอนะไรนี้วุ่นวายคล้ายๆหมานะหมาที่เขาฝึก เ, เคยเห็นไหมเขาโยนท่อนไม้ไปโยนไปทางนี้มันก็วิ่งทางนี้โยนไปทางนี้มันก็วิ่งไปทางนี้ใช่ไหม จิตเราก็คล้ายๆกันนะเนาะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกันงั้นเราคอยรู้ทันนะทำใจให้สบายๆใช้ปกติเลยแล้วหายใจไปรู้สึกตัวไปด้วยใจปกติแรกๆมันจะหลงบ่อยหน่อยหลงนานหน่อยแต่ไม่เลิกฝึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปหลงยะสั้นลงสั้นลงสั้นลงรู้จะถี่ขึ้นถี่ขึ้นหลวงพ่อไม่ได้ใช้คำว่ารู้ยาวนะ รู้มันทีเพราะอะไรเพราะรู้ว่าเกิดแล้วก็ดับเป็นขณะขณะเหมือนกับหลงนั่นแหละหลงทําไมมันยาวทั้งท้ที่มันก็เกิดทีละขณะเพราะมันเกิดบ่อยะก็เลยรู้สึกยาวรู้นี่ก็เหมือนกันหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะจนกระทั่งรู้เนี่ยเกิดบ่อยมันีก็เหมือนรู้ยาวเลยครเนี้หลวงปู่สิงห์ท่านเรียกหลวงเพราะว่าผู้รู้เพราะจิตหลวงพ่อมันไม่หลงยาวมันหลงสั้นๆ ปุ๊บๆอย่างนี้นะเราเดินปัญญาได้เลยนะตรงนี้ยจิตหลงจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงเนี่ยดูไปจิตหลงก็ห้ามไม่ได้ควบคุมไม่ได้จิตรู้ก็บังคับไม่ได้ไม่ต้องไปคิดเลยนะมันเห็นเองแล้วสุดท้ายมันสรุปความรู้ของมันเองจิตนี้ไม่ใช่เราสรุปของมันเองเลยงั้นพวกเราไปฝึกกรรมาฐานทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตนเอง จิตหลงไปคิดลืมอารมณ์กรรมาฐานรู้ทันจิตไหลไปเพ่งที่ตัวอารมณ์กรรมฐานรู้ทันถ้ารู้ทันแล้วอยากหายเพ่งรู้ว่าอยากนะถ้าอยากเรารู้ว่าอยากนะใจก็ค่อยๆเป็นกลางใจเป็นกลางจริงๆใจไม่หิวไม่อะไรข้นมันก็เลิกเพ่งไปเองแหละค่อยๆฝึกเพ่งบางตัวเนี่ยแก้เป็นปีนะหลวงพ่อเคยพลาดไปเพ่งเอาตัวผู้รู้เข้า ถึงบอกพวกเราอยู่าไปเพ่งตัวผู้รู้นะเพ่งปึ๊กไปนะฝึกคืนเดียวะแก้เป็นปีเลยกว่าจะเลิกเพ่งไม่งั้นทัดจากนั้นเริ่มปฏิบัติอะไรเพง่งบุรุษทุกทีเลยมันแก่ยากเรารู้ว่ามีตัวผู้รู้อยู่แต่อย่าเพ่งใส่มันแค่รู้ว่ามีบางคนเน้ยใจมันหนีไปแล้วะรู้ทันนเระ หลงไปอย่างเงี้ยก็รู้ทันว่าหลงไปแต่ว่าจะรู้ได้ดีนะต้องทํากรรมฐานนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเป็นต้นกรรมฐานก็เลื อ, อกเอาทีนะ่ถนัดะหลวงพ่อถนัดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเงีนะ้ยครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็หายใจอย่างเดียวบางองค์ท่านก็พุดโทอย่างเดียวหลวงพ่อเตียนท่านขยับเอาอะไรเงี้ยแต่เราค์ก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ทางใครทางมัน ทำแล้วมีหลักกันเดียวกั น, นคือรู้ทันจิตตนเองนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันหมดทำแล้วก็ไปเพง่งนิ่งๆซึ้บื้ออยู่งั้นกี่ปีกี่ชาติก็อยู่แค่นั้นหลวงพ่อเคยไปเจอลูกศิษย์หลวงพ่อคนหนึ่งนะมันเป็นด็อกเตอร์เรียนอยู่กับหลวงพ่อฝึกเจริญสติแล้ววันหนึ่งไปเห็นที่สำนักแห่งหนึ่งเดินจงกลมอยู่นะ ทําใจให้ว่างแล้วเดินไปเราเห็นแล้วจะบอกมันดีไม่ดีนะอ่ะบอกกม็มีปัญหาหรือเปล่าก็มไม่รู้มันอยู่สํานักที่อื่นไปเที่ยวภาวนาอยู่ที่อื่นสุดท้ายก็เลยบอกก็บอกว่าบอกว่าด็อกเตอร์รู้ไหมจิตใจของเราเนะี่ยเมื่อปีก่อนก็เหมือนตรงนี้แหละเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างเนี้ยปีหน้ามก็เป็นอย่างนี้แหละ ะอีกกี่ปีมัก็เป็นอยู่แค่นี้แหละเพราะว่าไปแต่งจิตให้มันว่างๆให้มันไม่คิดไม่เนึกไม่ปรุงไม่แต่งจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งไปแต่งเลยมันผิดธรรมชาติแล้วจะเห็นความจริงได้ยังไงมันไม่มีความจริงให้เห็นแล้วดังั้นถ้าเราอยากเห็นของจริงนะเราอย่าไปแทรกแซงมันอย่างลงมือปฏิบตัติอย่าไปแทรกแซ ง, งจิตซึ้บือนิ่งหรือเครียดเครียดเยดฉยเฉย เอาแค่ว่าจิตไหลไปก็รู้จิตเคลื่อนลงไปอยากจะรู้อารมณ์ให้ชัดรู้ว่าอยากถ้าอยากรู้อารมณ์ให้ชัดแล้วไม่รู้รู้ไม่ทันมันจะไหลลงไปเพ่งถ้ามันอยากรู้อารมณ์ชัดรู้ว่าอยากไม่เพ่งหรอกง่ายนิดเดียวจริงไหมง่ายนิดเดียวอยากเยอะอยู่ที่ฝึกนะาฝึกมากๆเข้ามันก็ง่ายแลย้ว นานๆฝึกจีมก็ยากเลยธรรมชาติธรรมดาเริ่มเพ่งกันแล้วรู้สึกไหมเริ่มนิ่งใจกล้าๆหน่อย ไม่ต้องกลัวหลงนะทํากรรมฐานไปหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้หลวงพ่อไม่ได้บอกทกํากรรมฐานไปเราห้ามหลงนะห้ามหลงทำได้ไหมห้ามได้แต่ทำไม่ได้ยังไงก็หลงเพราะงั้นไม่ต้องไปห้ามหรอกไปห้ามอะไรซึ่งมันเป็นไปไม่ได้รอย่าไปห้ามมันเสียเวลาทำไปเพราะอยากของเราเอง อเราได้ตัวรู้แล้วทีนี้ยเรื่องเดินปัญญาไม่ใช่เรื่องยากนะ้วพอสติเราลึกรู้ร่างกายจิตเป็นคนรู้เนี่ยจะเห็นในร่างกายมันไม่ใช่เรารอนะเวลาสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นมาสติรู้มีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วเกิดจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะมันจะเห็นเลยสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่เราหรอกนะแล้วเราเห็นเลยตัวรู้เดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับ เดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวเป็นตัวคิดเดี๋ยวเป็นตัวรู้เดี๋ยวเป็นตัวเพ่งเดี๋ยวเป็นตัวรู้เดี๋ยวหลงไว้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเงี้ยตัวรู้ก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตเพ่งก็ไม่เที่ยงไม่มีจิตตัวไหนเที่ยงสักตัวงเฝ้ารู้เฝ้าดูไปจิตรู้ก็สั่งให้เกิดไม่ได้จิตหลงก็ห้ามมันไม่ได้อะนั้นฝึกไปให้เห็นความจริงในการเดินปัญญา อย่าไปวาดภาพการเดินปัญญาไว้คืออะไรที่พิสดารนะไม่คือการเห็นกายอย่างที่กายเป็นการเห็นจิตใจอย่างที่จิตใจเป็นนั่นแหละเรียกว่าการเจริญปัญญาคำว่าวิปัสนาเนี่ปัสนาคือการเห็นเห็นอะไรเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมเห็นกายเห็นใจของเรานเองเห็นอย่างไรเห็นอย่างพิเศษเห็นอย่างยอดเยี่ยมคือเห็นความจริง ความจริงของกาย like, ก็คือไตรลักษณ์ความจริงของใจก็คือไตรลักษณ์เนี่ยเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ใจเราต้องเป็นคนดูได้ตั้งมั่นได้ใจตั้งมัน่นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูความสุขความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดู living, ความสุขความทุกข์ดับไปใจเป็นคนดูลวงโกรธหลงเกิดขึ้นใจเป็นคนดูจิตเองเกิดดับอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จิตนั่นแหละเป็นคนดูอยู่ มีจิตอีกดวงหนึ่งเป็นคนดูตอนที่จิตหลงไปดูรูปเนยะจิตรู้นี่หายเพราะว่าดูรูปเสร็จแล้วรู้ทันว่าจิตไหลไปดูรูปจิตรู้ก็เกิดจิตหลงก็หายเกิดดับไปได้่อยๆไม่ยากอะไรหรอกค่อยๆฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งแล้วรู้ทันจิตตนเองไปไม่ใช่ทำกรรมฐานแล้วบังคับจิตตนเองนะอย่าแทรกแซงมันรู้อย่างที่มันเป็นแล้วเราจะได้ของดี หมายเลขเก้าค่ะปฏิบัติตามแนวทางหลวงพ่อมาเข้าปีที่สิบสามแล้วเข้ามาปีนี้เริ่มเพิ่มจากการทำในรูปแบบสิบห้าถึงสาสิบนาทีเป็นหนึ่งชั่วโมงแต่ส่วนมากจะพยายามให้ได้วันละสองชั่วโมงถ้าเป็นวันหยุดจะมีเพิ่มเป็นสามหรือสี่ชั่วโมงแล้วแต่โอกาสพบว่าเมื่อความเพียรมากขึ้นภาวนาง่ายขึ้น เห็นสภาวะยากหรือง่ายแล้วแต่โอกาสหรือคนทางโลกช่วงนั้นหนักแค่ไหนหนึ่งถึงสองเดือนนี้เพิ่มปรับจากบริกรรมพุทธโธเป็นระชโชหรณังรัชชารติบางทีก็พบว่าดีกว่าบริกรรมพุทธโธแต่บางทีมันก็กลับไปพุทธโธเองเกิดความไม่แน่ใจว่าบริกรรมอย่างไรดีกว่ากันครับบริกรรมนั้นมันเป็นตัวล่อ จิตเท่านั้นเองตัวไหนรอดจิตเราไว้ได้เราเอาตัวนั้นช่วงไหนใจไม่ค่อยฟุ้งซ่านใจกอกลับมาพุทโธมันเองช่วงไหนมันฟุ้งมากมันก็บริกรรมยาวขึ้นหน่อยพุทโธอย่างเดียวมาเอาไม่อยู่ก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ที่มีความเพียรอยู่ใช้ได้นะไม่ได้เพียรแบบบัวแบบควาย เพียรยังมีสติรู้เท่าฐานจิตใจตนเองไปดีใช้ได้สังเกตหน่อยตอนนี้จิตไม่เข้าฐานตรงนี้ดูออกไห ม, มถ้าดูออกก็ใช้ได้แนละ้วสุดท้ายผมไม่เคยมีโอกาสขอบคุณหลวงพ่อเลย อยากขอบคุณที่หลวงพ่อนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาย่อยเป็นภาษาที่คนรุ่นผมเข้าใจง่ายและทำให้พวกเราได้มาถึงจุดนี้อยากกราบขอบคุณจากหัวใจครับและขออนุโมทนาคนทำงานทุกท่านด้วยครับสาธุเขาขออนุโมทนาเราก็สาธุกับเขาเนาะดีภาคเพียรดีตั้งใจดี คอยดูนะสิ่งที่ผิดมันก็ยังมีสองงานนะลงไปเผลอไปกับเพ่งนั้นเวลาหลวงพ่อสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยมันมีแต่เผลอกับเพ่งอ่ะเรารู้ทันได้ละเอียดมันก็เผลอสั้นลงสั้นลงเพ่ง น, งน้อยลงน้อยลงอย่างตอนนี้จิตไหลไปคิดจิตไหลไปคิดเราก็รู้ว่าจิตไหลไปคิดไม่ห้ามก็ห้ามไม่ได้ จิตเที่ยวแสวงหาว่าจะดูอะไรดีรู้ว่าจิตเที่ยวแสวงหาจิตเริ่มเพ่งมีน้ำหนักเกิดขึ้นกับจิตรู้ว่าจิตเพ่งนเนี่ยดูของเราอย่างนี้เรื่อยๆไปนะทำในรูปแบบทำได้อย่างนั้นแหะดีจิตจะมีความเข้มแข็งมีกำลังคนต่อไปเลขสิบค่ะ ปฏิบัติในรูปแบบด้วยการเดินจงกรมวันละประมาณหนึ่งชั่วโมงระหว่างวันใช้คำบริกรรมเป็นตัวช่วยรู้สึกในปีนี้การปฏิบัติมีความก้าวหน้ามากขึ้นฟุ้งซ่านน้อยลง ม, มีฉันทะในการปฏิบัติมากขึ้นขอเมตตาหลวงพ่อชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติเพิ่มเติมค่ะภาวนานดีแล้วนะภาวนานถูกแล้ว จิตตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นจิตเป็นยังไงรูร้ว่าเป็นอย่างนั้นไปเราในรูปแบบเราก็ทำนะจิตจะได้มีแรงสมาธิเราจะได้มากพอไม่ทำในรูปแบบเลยเนะี่ยต่อไปสมาธิไม่พอมอนเดินวิปัสสนาไม่ได้จริงทนะําทำในรูปแบบสำคัญดีแ ล, ะละ้วล่ะตอนนี้หลงรู้สึกไหมตอนที่ก้มลงไปเนะี่ยก้มรู้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไป ของคุณรู้กายได้ดีนะร่างกายเนี่ยขยับอะไรมันรู้ของมันได้เองอ่ะเนี่ยดีเ่จิตมันสงสัยรู้ว่ามันสงสัยอรอย่างเงี้ยรู้ลงปัจจุบันไปเรืไดยดีใช้ได้ไปเลขสิบสามค่ะฟังธรรมะของหลวงพ่อมากว่าสิบปีแล้วแต่เพิ่งเริ่มมาปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจังไม่กี่เดือนมานี้ ช่วงนี้ใช้ดูจิตในชีวิตประจำวันและภาวนาในรูปแบบโดยดูลมหายใจพุทโธวันละหนึ่งชั่วโมงเห็นการเคลื่อนไหวของจิตได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่มีติดแทรกแซงและถลำนานขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำและชี้ข้อบกพร่องเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติต่อไปค่ะก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรนะ ก็ไปประสบการณ์เราเยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันกหลงสั้นสั้นลงอยู่ๆจะไปสั่งมันไม่ให้หลงทําไม่ได้หรอกอยิ่งสั่งมันให้หลงมันจะกลายเป็นเพ่งะเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกใจเราเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกไปธรรมดาธรรมดานายใจไปรู้สึกไปทําอะไรก็คอยรู้สึกตัวไปอยู่กับเครื่องอยู่ของเราจิตหลงแล้วรู้เอา หนะลงแล้วรู้สึกไหมเนหะลงอย่างนี้แหละเมื่อกี้ไปนอนแล้วเราก็รู้ทันนะนะดี X หกสิบแปดค่ะปฏิบัติตามคำสอนที่หลวงพ่อชี้แนะมาหลายปีแล้วขอโอกาสหลวงพ่อโปรดเมตตาแนะนำการปฏิบัติของผมเพิ่มเติมด้วยครับ เราอย่าจงใจแรงไปนะตั้งใจมากมันก็จะแข็งแข็งเครียดเครียดทำกรรมฐานแล้วก็อยู่กับกรรมฐานว่าเราไปสบายสบายจิตมันเคลื่อนเราก็รู้มันหนีไปคิดเราก็รู้มันหนีไปเพ่งเราก็รู้ตอนนี้มันลงไปคิดแล้วลงไปคิดเราก็รู้พอรู้แล้วเราก็ไม่ว่ามันเราก็กลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเรา จิตดวงที่หลงคิดนะ่อย่าไปเอาคืนโยนมันทิ้งไปเลยจิตมันมีเยอะแยะมันไม่ได้มีดวงเดียวยจิตหลงไปคิดรู้ว่าหลงไปคิดไม่ต้องไปเอาคืนทิ้งไปเลยตรงที่เราจิตรู้ว่าหลงไปคิดนะี่มีจิตดวงใหม่เกิดขึ้นแล้วค่อยๆฝึกไปใจเคลื่อนไหวใจหนีไปคิดรู้ทันของคุณยังติดเรื่อง ใช้เหตุผลใช้การคิดเยอะไปนิดหน่อยอให้รู้ทานเอาใจหลงไปคิดแล้วรู้ใจอยากดีรู้ใจอยากมีความรู้ก็รู้อ่านใจตัวเองไปสบายๆดีนะที่ฝึกนใช้ได้เจ็ดสิบค่ะสภาวะคือจิตไหลไปแล้วรู้แล้วเพ่ง เกิดการบังคับจึงแน่นอยากทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับปฏิบัติอย่างนี้แหละแล้วทําอย่างที่หลวงพ่อสอนพ่อตะเกียนะทำกรรมฐานไปจิตไหลไปคิดเรารู้จิตไปเพ่งสังเกตดูทําไมเพ่ ง, เ พ, งเพราะมันอยากมันอยากรู้ตัวตลอดเวลามันอยากทนะีมันอยากได้มรรคผลนิพพานอะไรเงี้ยมันมีความอยากมันก็เลยเพ่ง ถ้ารู้ทันต้นต่อมันความอยากดับการเพ่งก็ดับส่วนจิตลงคิดนะไเงี้ยก็ห้ามมันไม่ได้จิตมันอยากเสบยอารมณ์ทางโน้นทางนี้แม้ก็ไหลไปเราก็รู้ว่ามันไหลไปเราอยู่ได้เห็นความจริงนะจิตมันไม่ใช่เราหรอกทํางานของมันได้สารพัดจะทำเราอย่าไปบังคับมันเรียนรู้มันไปเรื่อยๆตรงนี้ประคองจิตมากไปเพ่งเยอะไปนิดนะึง ปล่อยออกไปสบายๆเออรู้ไปสบายๆอยไปเพ่งแรงไปทำ อ, อีกนะที่ทำอยู่ใช้ได้ถ้าเรารู้จักหลงไปส่วนใหญ่หลงไปคิดนะกับรู้จักเพ่งนะรู้เหตุของการเพ่งด้วยโอ้ยภาวนาจะง่ายขึ้นเยอะเลย เราจะเข้าใจตรงนั้จิตเป็นยังไงรู้ว่าพ่อเป็นอย่างนั้นร่างกายเป็นไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้ น, น, น, น, นให้ใจมันถูกเท่านัา้นแหละมันก็เดินปัญญาได้ใจมันยังไม่ถูกมันหลงไปหรือมันเพ่งเอาเพ่งเง า, เ, ง เ, งาเดินปัญญาไม่ได้หมเลขเก้าสิบสองค่ะผมส่งการบ้านหลวงพ่อมาสองปีกว่าแล้วครับ ปัญหาของผมคือเวลาทําสมาธิจิตเริ่มสงบร่างกายจะสั่นสะบัดไปมาทุกครั้งถ้าจิตไหลไปที่ขาจะสั่นแรงถ้าจิตไหลไปที่ปากเหมือนมีคนมาดึงปากให้เปิดออกอมผมจะผ่านตรงนี้ไปได้อย่างไรครับให้รู้ทันที่จิตเราเนี่ยไปรู้ทันที่ปากที่ขาที่อะไรนะรู้ทันที่จิต จิตเราจะไหลไปตรงนี้ไหลไปที่ขารู้ว่าจิตไหลไปที่ขาไม่ได้ดูที่ขานะรู้ทันที่จิตจิตไปที่ขาก็รู้จิตไปที่ปากก็รู้จิตไปที่ไหนก็รู้ให้ความสาคัญที่ตัวจิตนี้เราไปตื่นเต้นกับปรากฏการณ์ทางร่างกายเวลามันมีปีติอยู่บางทีตัวมันสั่นอเงี้ยเราก็มมดแต่ไปดูร่างกายสั่นให้ดูที่จิตอย่างจิตชอบไม่ชอบที่มันสั่นเงี้ย หลวพ่อก็เป็นแต่ก่อนนะมันโยกเราสังเกตนะไอ้ก่อนที่จิตจะรวมลงไปนะหัดใหม่ๆก่อนจะรวมลงไปมันโยกเนี้ยถะาอนั้นการโยกนี่น่าจะดีพอนั่งปุ๊บมันไม่โยกเราโยกเองตัวโยกนะตัวโครงขนลุกตัวหนักบางที่ตัวใหญ่นะ รู้สึกตัวใหญ่เหมือนภูเขาเหมือนก้อนหินใหญ่ๆที่รู้สึกตัวเบาเหมือนปุยนุ่นอะไรเงี้นี่เป็นอาการของจิตทั้งหมดเลยอย่าไปหลงกับพวกอาการเหล่านี้ให้รู้ทันจิตเราเช่นจิตตัววันนี้ตัวเบายินดีพอใจชอบอย่าเงี้ยรู้ว่าชอบวันนี้จิตหนักเหนักมากๆ ก, ก, ก็ชอบอีกนะไม่ใช่ไม่ชอบหนักยังเป็ภูเขาเลยก็ชอบรู้ว่าชอบอีก ถ้าไม่รู้นะอย่างแหมขามันกระดิกได้ว้สนุกเว้ยถ้าจะดีอะไรเงี้ยพอใจนะมันก็กระดิกไปเรื่อยๆแหละไม่เลิกหรอกมันให้ความสําคัญที่จิตตนเองไม่ใช่ให้ความสําคัญที่อาการทางร่างกายหรืออาการของจิตะรู้ทันจิตมันไปเช่นจิตมันสงสัยหรือจิตมันกงนังวลว่ามันเป็นอะไรของมันะจิตมันสงสัยว่าจะแก้อย่างไรดีอะไรเงี้ยรู้เข้าไปที่จิตรู้ว่าจิตสงสัยรู้ว่าจิตกงังวล รู้ว่าจิตชอบรู้ว่าจิตไม่ชอบคข้ามาที่จิตนี้นะหมายเลขหนึ่งร้อยสี่ค่ะปกติเราต้องมีเครื่องอยู่อย่างอื่นไหมคะถ้าเราดูจิต ท, ที่ไหลไปคิดอย่างเดียวเพราะจิตมันอัตโนมตัติไหลไปคิดตลอดทั้งวันถ้าชำนานก็ใช้ได้หลวงพ่อตอนที่ลงมือปฏิบัติ กับหลวงพูดด่ดนะูลงพ้าใช้จิตเป็นวิหารและธรรมจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ตลอดไม่เอาอันอื่นเลยนะนี่กำลังสมาธิที่เคยสะสมไว้มันใช้ได้สองปีฝึกสมาธิอยู่ยี่สิบสองปีนะตั้งแต่เด็กนะไปเจอหลวงปนะู่ดูนอายุย9ิบเก้าแล้วไปเห็นจิตมันไหลมาเลยเจริญปัญญาอยู่ตรงนี้นานๆไปนะจิตไม่มีแรงนะ กำลังจะตกเขากำลังตกเนี่ยเห็นจิตไหลเนียจิตมันไหลตามอารมณ์แผงนอกเลยไปว่างสว่างอยู่ข้างนอกนานๆไปไม่ดีหรอกการทำในรูปแบบนี่จำเป็นนะควรจะทำมีกรรมฐานอะไรที่ให้จิตได้พักให้จิตเข้าฐานเต็มที่ได้พักอยู่ก็เอาบ้างนะ ที่จริงการดูจิตเนี่ยี่ยจะพลิกเป็นสมาธิเป็นสมถ า, าเลยก็ได้ในตัวของจิตเองหลวงพ่อก็เคยทำนะจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยเราไม่สนใจสิ่งอื่นเลยสนใจอยู่ที่จิตอย่างเดียวนะถึงจุดหนึ่งจิตมันรวมลงไปเลยไปส่งกันบ้านหลวงปูดด่ดุลหลวงปู่ครับเนี่ยผมดูผมเห็นจิตมันกังวลแล้วอยู่ๆนะจิตรวมลงไป อายุกำลังมาฟ้ากําลังผ่าฝนกาลังตกหนักหายไปหมดเลยสีเหล่านั้นจิตรวมลงไปหลวงปู่ก็บอกว่าจิตมันเข้าสมาธิหลวงพ่อก็ไปเถียงท่านนะอหลวงปู่ผมดูจิตอยู่นะเห็นจิตมันทํางานอยู่ผมไม่ได้เข้าสมาธิไม่ได้จงใจทําสมถะหลวงปู่โดนบอกการดูจิตนั้นนะมันได้สมาธิอัตโนมัติ แต่ถ้ากำลังเราไม่พอจริงๆนะมันเป็นสมาธิที่ไหลเข้าไปในช่องว่างมันจะไปว่างอยู่ข้างนอกแล้วบางทีพอไหลไปช่องว่างเราเห็นช่องว่างนี้ถูกรู้ตัวรู้นียมันมีอยู่ต่างอากเราดูไปที่ตัวรู้ตัวรู้กลายเป็นตัวถูกรู้เกิดตัวรู้ใหม่ขึ้นมาตัวรู้อันที่สองนียถูกรู้อีกนะดับไปเกิดตัวรู้อันที่สามตัวรู้นียไม่มีที่สิ้นสุดเลยเป็นอ น, นันต อันนี้เราก็รู้สึกโอ้เป็นภาระเราทิ้งทั้งความว่างทิ้งทั้งตัวรู้ไม่เอาสักตัวเดียวจิตก็สงบลึกเข้าไปอีกแต่ว่าเล่นยากนะถ้าติดแล้วก็แสนสาหัสเลยพระเมตไตรมาตรสรู้เนี่ยเรามาไม่ทันเลยนะงั้นทำกรรมฐานอะไรที่เพลินเลนสักอย่างหนึ่งเนะช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกทแบ่งเวลาทาไว้หน่อยหนึ่ง ควรจะทําให้ได้ทุกวันแล้วเราจะไปดูจิตดูอะไรเนะี่ยมันจะดูได้จริงจริงไม่งั้นเดี๋ยวจิตหลงไปอยู่ในอรูปถ้าจิตมันต้องการพักแนละ้วเราไม่พามันพักด้วยกายเนะี่ยไม่นจะพักเข้าไปที่จิตเองมันจะเข้าอารูปถ้าเข้าอารูปเราไปติดอยู่ตรงนั้นนะไม่มีโอกาสเจอพระสยานแล้วนะไม่ทันนะงั้นหายใจเข้าพูดหาใจออกโทอะไรเนะี่ยทํามันทุกวันนหะ สักสิบห้านาทียี่สิบนาทีอะไรก็ทำไปใจจะได้มีพลังที่จะดูจิตดูใจได้นานๆได้เรืนานานาน่อยๆไปหลวงพ่อประมาทหลวงพ่อธรรมรานุปณัสตีเดเนๆพอมันเจอการดูจิตนะดูจิตลูกเดียวเลยทิ้งสมา ธ, ธิเลยทิ้งสมถะถึงจุดหนึ่งนะจิตไปติดวิปัสสนโเนยนะไปติดในความว่างสว่างเหมือนไม่มีกิเลสเลย ยนดีว่าหลวงตามหาบัวท่านแก้ให้ตัวนี้นท่านบอกดูไม่ถึงจิตแล้วท่านไม่ได้บอกว่าการดูจิตผิดนะแต่ท่านบอกว่าหลวงพ่อดูไม่ถึงจิตท่านไม่เคยว่าเลยเรื่องว่าดูจิตนนถูกหรือผิดหลวงพ่อไปเยงแต่ท่านท่านไม่เคยว่าอะไรเลยมีสอนต่อยอดให้เราั้นการดูจิตถ้าเราถนันดูจิตเราก็ดูจิตเอาแต่ว่าต้องมีเวลาทาสมถะบ้าง จะใช้การดูจิตแล้วไปเข้าอรูปนี่เสี่ยงถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารยนะ์ไม่แนะนำเลยนะเสี่ยงมากเลยหมายเลขหนึ่งร้อยสามสิบเก้าคนสุดท้ายค่ะตอนนี้จิตล้มไปต่อไม่ได้จิตอะไรนะล้มค่ะล้มค่ะจิตมันมีขาเหรอ <laughs> ถึงล้มได้ <laughs> เคยเห็นอารมณ์โทสะโมหะแล้วไปกดมันเพราะอยากดีอพอรู้สึกคือกดไว้แล้วจิตล้มเหมือนเดินทางผิดยิ่งทำยิ่งแน่นอตอนนี้หยุดทุกอย่างจิตถอยและล้าไม่เดินหน้าอขอทางสว่างด้วยค่ะกับาทําสมถะหายใจเข้าพุให้ใ จ, ใใจออกโทสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างตัวนี้สำคัญนะ เวลาที่เราพอมาทําอะไรไม่ถูกเนี่ยกลับมาทําสมถะไว้เป็นหลักที่ครูบาอาจารย์สอนมาแบบนี้เลยหลวงปู่สุวัตเนี่ยหลวงพ่อก็เป็นลูกศิษย์ท่านเคยไปเรียนกับท่านเหมือนกันท่านก็สอนลอกท่านไปเรียนกับหลวงปู่มั่น่หลวงปู่มั่นสอนท่านใหม่อีกทีหนึ่งว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ให้ทําสมาธิทําสมถะเนี่ยตอนเนี้จิตใจเรา จับอะไรไม่ถูกแล้วกลับมาทําสมถะหลวงพ่อเจอหลวงปู่ดูลั้งแรกท่านสอนให้ดูจิตนะหลวงพ่อก็ล้มเหมือนกันะท่านบอกเข้าใจไหมท่านบอกให้ไปดูจิตมเข้าใจครับพอลาจากท่านขึ้นรถไฟแนละ้วนึกขึ้นได้แต่รถไฟเคลื่อนนะ้นึกขึ้นได้เลยดูไม่เป็นจิตเป็นไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะดูยังไงก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลย ตกใจนะก็ตกใจลวงพ่อกลับมาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรเลยทําอะไรไม่ถูกแล้วทําสมถะว่าใจมันมีกําลังมีความสงบพอสมควรเนะี่มันจะเห็นทางที่จะเดินต่อได้เอาหนูเวลาตอนนี้มันหมดเรี่ยวหมดแรงไปแล้วกลับมาทําสมถะไวปหาย ใ, ใจเข้าพูดหายใจออกโทรไปไม่ต้องสงบก็ได้สงบก็ได้ไม่สงบก็ได้นะทําไปเถอะถือว่าปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าไม่หวังผล แล้วนะไม่นานจิตมันจะสงบรพราะจิตสงบจะมีกำลังพอมีกำลังม่ให้ไปดูกายดูจิตต่อได้นะตอนนี้ต้องทำสมถะหมดแล้วนะหมดแล้วก็เชิญกลับบ้านไปพภานาะมาเรียนกหลวงพ่อแล้วบางคนขยันผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีไปนะก็มีพัฒนาการที่ตัวเองเอิโมเอิ่มใจ บางคนพาวนาผิดก็มีนะเพ่เงเอาเพ่งเอาเนี่ยฟังหลวงพ่อไม่ดีเพ่งหรือบา น, นคนเขาอ่อนแอเที่ยวถามคนนัองคนนี้ไปเรื่อยจิตผมเป็นยังไงจิตหนโูเป็นไงเป็นไงไม่รู้เหรอหัดรู้ด้วยตัวเองรู้ของตัวเองไปปฏิบัติกรรมฐานมันเส้นทางที่เดินด้วยตัวคนเดียวเรียกเอกายนามัคเดินคนเดียว ทางสายเอกทางสายเดียวทางที่เดินคนเดียวทางที่เดินครั้งเดียวเดินครั้งเดียวหมายถึงเดินไปสุดทางแล้วไม่ต้องเดินอีกแล้วไม่มีทางที่ให้เดินต่อแล้วงั้นเราต้องเข้มแข็งที่จะเดินด้วยตัวเองได้ถ้าคอยเยอะกังวลถูกไม่ถูกนะ่าองไปถามใครดีอะไรเงี้ยถูกไม่ถูกสงสัยหรือว่าสงสัยจบแล้วะแค่นั้นแหละหน่ายหยุตายแไปไม่ใช่สงสัยแล้วก็ไม่เลิก สงสัยอยู่นั่นแหละไม่ดูว่าจิตกาลังสงสัยวิ่งไปถามคนนี้ทีวิ่งไปถามคนนี้ทีเอาสองคนบอกไม่เหมือนกันอีกเลยสงสัยหนักกว่าเก่าต้าไปถามคนที่สามนะคนที่สามมันบอกไม่อีกแบบหนึ่งคราวนี้จะบ้าแล้วพึ่งตัวเองให้ได้หลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อพึ่งตัวเองนะหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ไม่มากหรอก <c oughs> ไปเรียนกับหลวงปู่ดุลแล้วกลับมาทำสามเดือน ส่งการบ้านกลับมาทำต่ออนะไรเงี้ยนานๆเจอครูบาอาจารย์ทีหนึ่งเวลาที่เหลือเนี่ยใช้โยนิโสมนัสิการใช้ความแยบขายในการสังเกต ต, ตัวเองว่าสิ่งที่กาลังมีกำลังเป็นอยู่เนี่ยมันถูกไหมมันตรงกับที่พระเทีเจ้าสอนไหมอย่างใจเราว่างสว่างสบายอย่างเงี้ยมันใช่ไหมพระพที่เจ้าบอกว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำไมตัวนี้เที่ยงทำไมตัวนี้มีแต่สุข ทำไมตัวนี้บังคับได้เราผิดตรงไหนอย่างเงี้ยสังเกตตัวเองว่าเป็นผิดที่ไหนวิธีสังเกตตัวเองที่ดีที่สุดนะสังเกตตอนตื่นนอนพอตื่นขึ้นมาพูดเนี่ยตอนที่ตื่นใหม่ๆจิตยังไม่มีมารยาของการเป็นนักปฏิบัติพอตื่นขึ้นมาเราก็นึกว่า เ, เราจะปฏิบัติยังไงดีคราวนี้ยเราจะปลูแต่งความเป็นนักปฏิบัติขึ้นมาใจมันจะไหลหไปในช่องทางที่เคยชินที่เคยผิดนะ่ะจะไหลไปช่องนะั้น ถ้าตื่นมาปุ๊บเรานึกถึงว่าวันนี้เราจะภาวนางไงใจเคลื่อนไปจะจับลมหายใจละอย่างเราเห็นปุ๊บเรารู้ล้ว ใ, ใจเคลื่อนออกข้างนอกไปจับแสงสว่างเรารูล้ลเพราะทําไมรู้ได้ตอนตื่นๆอย่างนี้รู้ยากเพราะตอนนอนเนี่ยจิตมันไม่มีมารยามันหลับไปเป็นจิตที่ธรรมดาที่สุดเลยจิตอยู่ในภวังไม่ได้ ปรุงแต่งนะเราจะต้องอย่างน้อนเราเป็นนักปฏิบัติจะต้องไม่หลงไม่เฟอ้อนะมีแต่คำว่าจะต้องกับต้องต้องดีต้องสงบนะแล้วก็ไม่มีกิเลสไม่ฟุ้งซ่านไม่อยุ่งโน้นไม่อยังงี้มีแต่คําว่าต้องกับคำว่าห้ามสองอย่างวุ่นวายมากเลยเป็นะนักปฏิบัติตัวปลอมนักปฏิบัติตัวจริงใจถึงถึงนะี่ยใจมันไปทําอะไรรู้ทันมัน จะรู้ได้ง่ายนะตอนที่ตื่นนอนนะเราคิดถึงการปฏิบัติเนะี่มันจะทําทันทีเลยนะถ้าสังเกตตรงนี้ได้แล้วก็ช่วยตัวเองได้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วที่เหลือ<ม>ก็ต้องให้ครูบาอาจารย์ช่วยให้แต่ครูบาอาจารย์ต้องระวังนะยุคนี้ไม่เหมือนยุคที่หลวงพ่อเรียนนะยุคที่หลวงพ่อเข้าหาครูบาอาจารย์สามสิบสี่สิบปีก่อนนะครูบาอาจารย์ที่ดีนี่มีเยอะมากนะตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มี ทางอีสานเนี่ยมีแทบทุอำเภอเลยนะมาตุ ว, วันนี้ท่านก็วรรณภาพไปเหลืออยู่ไม่มากที่เหลืออยู่ก็ชรามากอะไรอย่างี้แล้วเราไปถามไปถามคนที่มันไม่รู้จริงขึ้นมาเนี่ยไปเลยอย่างบางคนเนะ่เขาไม่รู้เรื่องเลยเรื่องจิตเนะ่เขารู้แต่เรื่องหายใจเรื่องพูดโตอะไรอย่างเงี้ยอย่างอื่นเขาไม่รู้เลยเราไปถามถึงจิตถึงใจเขาว่าผิดแล้วต้องกลับมาทำตรงนี้ใหม่อะไรย่างเงี้ย เสียเลยหลวงพ่อก็เคยนะเคยสงสัยเรียนจากหลวงปู่ดนลหลวงปู่ดนรับรองแล้วว่าภาวนาช่วยตัวเองได้แนะล้วหลวงพ่อออกดูสำนักต่างๆไปที่ไหนที่ไหนเขาเรียนกันเรื่องกายทั้งนั้นเลยท่านพุทธทาสสอนานาปนสติมันก็กายหลวงพ่อเทียนขยับมือมันก็กายนะทางคุณแม่ศิริหลวงพ่อยังไม่รู้จกักหรอกคุณแม่ศิริยุคนนันะ้นเท่าคุณโชตดก ให้ก็กายเหมือนกันพองน้อยกกน้อยฝอนเล้งไหลซิงเราจะทำเสียงอย่นี้นะฝอนเล้งไลซิงก็กายอีกอะวัดป่าก็ดูกายกายยากตาสติผมผลเล็บฟันหนังเฮ้ใครๆเขาก็กายมีเราดูจิตอยู่คนเดียวให้แปลกกลับมาถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ครับผมต้องกลับไปดูกายอีกไหมหลวงปู่บอกว่าเขาดูกายเนะี่ยเพื่อให้เห็นจิต เมื่อเราเข้าถึงจิตแล้วเอาอะไรกับกายกลายเป็นของทิ้งว่างอย่างนี้นะแล้วหลวงพ่อก็เข้าไปหาครูบาอาจารย์องค์ที่ท่านสอนพุโทโธพิจาณกายเนี่ยพอเราเข้าถึงตัวท่านจริงๆท่านสอนเฉพาะตัวเราจริงๆท่านสอนจิตทั้งนั้นนะสอนให้หลวงพ่อดูจิตแต่ละองค์แต่และอ ง, แ ต, แ, องแต่ท่านสอนเบสิกภาพว่างทะานก็พุโทโธไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเราภอวนาจริงๆนะถ้าสอนค่อยๆลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไ ป, เ, าไปเต็มทีม่มันก็เข้ามาที่จิตนั่นแหละนี่พวกเราก็อย่าประมาทนะคิดว่าดูจิตดูจิตแล้วแน่มันดูไม่ถึงจิตในที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละทิ้งสมาธิไม่ได้ทิ้งสมถะไม่ได้นะะนั้นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทโวไว้ทําให้ทุกวันทุกวันหละมันจะได้แรงใจมันได้ไม่หลงถล่มลงไปดูจิตแล้วมันดูไม่ถึงจิตมันไปดูอย่างอื่นแทน กต้องเรามาลองตัวนี้เชิญกลับบ้าน